อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรรบุรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้คะ่ะเป็นประจำทุกเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์นะคะดิฉนันก็จะได้มีโอกาสที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะสนทนาสักถามข้อธรรมะดีๆที่จะเป็นคติเตือนใจหรือว่าเป็นคาสอนขอ ง, ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโน ซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของประเดชพระครูหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภโซหรือท่านพระครูสิทธิ พ, พัพ ก, กรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะจะได้มาสากระชาหรือว่าสนทนาธรรมในหัวข้อดีๆให้ทุกผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำค่ะเราเออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนกลางนี้ก็คลื่น FM 92อเสิบสาเมกะเฮิร์นะคะส่วนในส่วนต่างจังหวัดนั้น เราก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำแต่ละจังหวัดประมาณ AMFM ก็ร40กว่าสถานีก็รับจัญญาณไปด้วยนะคะก็เป็นการพบกันโดยที่จ ะ, ะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นผู้ศชาตินิกชนได้รับฟังอธรรมดีๆแน่คิดดีๆจากรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะเราพบกันในเช้า ว, วันนี้นะคะ เป็นเช้าวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคม2554ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นสี่ข้ามเดือน11ปีถ่อนะคะก็เรียกว่าในเวลารา ช, ชการก็จะต้องบอกว่าได้ขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้วเพราะว่ารา ช, ชการนั่นก็วันที่30กันยายนก็ถือเป็นวันสิ้นปีงบประมาณแต่ละปีนะคะเราก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ2555กันแล้วค่ะ ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนท่านวิทยากรประจํารายการของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้านของการที่จะเป็นพุทธโอษจากพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนำ้ำมัศการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยค่ะกราบนำ้ำมัศการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะญาชรพาน สาธุเจ้าค่ะสําหรับในเช้าวันเสาร์ซึ่งเป็นวันแรกของปีงบประมาณใหม่นะเจ้าค่ะทราบว่าพระอาจารย์อาจจะนําเรียกว่าตอนนี้เรายังอย<ฐ>ู่ในช่วงเจ้าค่ะอยู่ในช่วงพรรษาเจ้าค่ะอยู่ในช่วงพรรษาก็จะมีพระคาถาที่ต่างๆที่องค์ระสมมสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แง่คิดดีๆให้เรานะเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์หยิบพระคาถาบทไหนมา เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเจ้าค่ะข อ, อนิมนเลยเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาอนี้ต้องเท้าความนิดนึงคือคือก่อนในช่วงพรรษาเนี่ยเราก็จะเอาคาถามาเล่าให้ฟังกันอยู่แล้วเนาะคุณตนใจใ<ช>แล้วก็<ช>ตอนนี้อีกประมาณสิบสองวันกว่าจะถึงออกพรรษาใช่ไหมก็เป็นช่วง<ช>เวลาที่ท้ายพรรษาแล้วเหลือไม่ถึงสิบห้าวันแล้วก็ถ้าเป็นพระสงฆ์พิษุสามเณรเนี่ยก็เร่งความเพียรกันเต็มที่ละเก็บคะแนนละ เก็บแนนใครที่อยู่ในพรรษาก็ทําความเพียรนั่งสมาธิอะไรไปก็ทาได้นะถ้าเป็นก า, าะวาสญาติยโยมที่ทําความเพียรใดๆในพรรษาก็ขอให้ทําต่อไปก็แล้วกันเป็นสิ่งดีหละ่ ะ, ะทีนี้ในช่วงพรรษานี้เรายังอยู่ในช่วงที่มีเราเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษเนะ ค, ะคือให้ให้ทราบถึงคาถาที่พระเจ้าได้พูดถึงเอาไว้ วันนี้ก็เลยจะหยิบยกเรื่องของคาถาที่พระพุทธเจ้าได้เล่าให้ฟังแต่อันนี้เป็นคําของอเทวดาที่เป็นพระอินนะคือพระอินท์ท้าวสกกะเทวราชได้ได้พูดเอาไว้ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยรับรองคําพูดของท้าวสกะเทวราชในตอนนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟั ง, งอันนี้ต้องเท้าความก่อนว่ามีสมัยหนึ่งนะซึ่งก็นานมาแล้วที่เทวดาเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่เป็นอสูรกับฝ่ายที่เป็น เทวดาฝ่ายดีนะ <Okay. S 1> มีสวรรค์ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าชั้นดาวดึงเนี่ยจะมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายเทยวดาที่มีเท้าส ก, กัดเป็นหัวหน้ากับฝ่ายอสูรนะที่มีเท้าชื่อเวปจิตนะเวปจิตเนี่ยเป็นหัวหน้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เป็นศัตรูกันหลักว่างั้นเถอะแต่อยู่บนเป็นเทวดานะอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอืมชุกค่ะนะและ้วทั้งสองฝ่ายนี้ก็ทําสงครามกันนะมีสมัยหนึ่งซึ่งทําสงครามกันตอนนี้เราจะเห็นว่าเทวดาฟ้ฟาฝนนี่ ไม่ราสารีมัสายก็คือไม่มีสงครามตอนนี้นะแต่ว่ามีสมัยหนึ่งที่มีสงครามกั น, นทองฟ้าเป็นสีดำเรียงต่างพระเจ้าเคยอธิบายไว้ทีนี้ว่าตอนนี้สบายดีอยู่เนี่ยตอนนู้นเขาทํากันยังไงก็มีสงครามในลักษณะที่ว่าตอนนั้นเป็นสงครามครั้งสุดท้ายละตะลุมบอลกันล ะ, ะคือสมอรภูมิครั้งสุดท้ายเป็นสมรภูมิที่เรียกว่าถ้าใครชนะคราวนี้ก็คือชนะไปเลยหมดหน้าตา ก, กันทุกคนแล้วฝ่ายเทวดาเนี่ย ก็คื อ, อมีหัวหน้าคือเท้าส ก, กะเทวราชนะก็บอกพวกเทวดาอย่างนี้คุณเตนใจบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราชนะครั้งนี้นะให้จับหัวหน้าคือเท้าเวปจิตนี่มาที่ <c oughs> พบแห่งเทวดานะคือที่ <c oughs> ดาวดึง <c oughs> <c oughs> ที่สุธรรมมัสนผะ่าเป็นสถานที่ที่เขาใช้แสดงธรรมกันในชเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึง <c oughs> ฝ่ายฝ่ายอสูรนะที่มีท้าเวปจิตนี่เป็นหัวหน้าน่ย เท้าเวปจิตก็บอกพวกเหล่าอสูรทั้งหมดนะบอกว่าคราวนี้เราตะลุมบอลห้ามหันกันห้ามหันกันครั้งสุดท้ายลนะแต่ถ้าชนะนี่ให้จับเท้าส ก, กเทวราชเนี่ยมาที่พบแห่งอสูร น, นะเหมือนกันปรากฏว่าในการตะลุมบอลห้ามหันกันครั้งนั้นนะนะเทวดาเป็นฝ่ายชนะพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เลยจับเท้าเวปจิตเนี่ยมาที่ทธรรมสภาโดยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทภันณนะ คือการจองจาํา5แห่งรนะัดที่ขาสองข้างรัดแขนสองข้างแล้วก็รัดคอด้วยนะตรึงเหล็กไว้เลยเบนแผ่นไม้กระดานเอ่อเท้าเวปจิตถูกล็อกอย่างนี้ปุ๊บก็กระดุกกระดิกไม่ได้ลนะก็เลยเทําการจับเท้าเวปจิตนี่มาที่ธรรมสภา ข, ขังไว้อยู่ที่ตรงหน้าทางเข้าออกธรรมสภาคือแบบประจานเลยอะ่ะ พ <Okay. S 2> นะระอาจารย์ให้ใครที่เข้าออกตรงนี้เห็นอยู่ว่านี่เป็นคนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายอสูรอย่างนี้นะ <Yeah. S 2> พอท้าไปประจิตถูกขังอยู่อย่างนั้นเนี่ยถูกล็อกด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทพันธนาเนี่ย เ, เห็นท้าสกัดเทโราชนะผ่านเข้าผ่านออกอยู่นะที่ประตูแห่งธรรมสภาคือคือธรรมสภาเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่เท้าสกัดเทวราชสร้างเอาไว้นะเพื่อที่ไว้เป็นประชุมที่ประชุมของเหล่าเทวดานะพอเท้าสกัดเทวราชผ่านเข้าออกอยู่เนี่ย เท้าเวป จ, จิตนะคุณเตือนใจขยับอะไรไม่ได้เลยนะยไม่รู้รจะทํายังไงนะขยับได้แต่ปากอย่างเดีย ว, วยะก็เลยดาา่าเท้าส ก, กเทอราชเนี่ยด่าชนิดที่เรียกว่าศาสตร์เสียเทเสียเป็นวาจานหยาบคายร้ายกาดอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษะนะเรียกว่าเง่าหัวอยู่ที่ไหนขุดขึ้นมาด่าหมดออรากเง่าอยู่ไหนลือขึ้นมาด่าหมดขึ้นเวทีด่าออกไม่ด่าประกาศทโทรคงเลยบ้างกันเถิดด่ากันขนาดนี้ ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้สัก 2-3 าครั้งเนี่ยท้าวสกกะเทวราชก็ทำยังไงนิ่งอยู่ท้าวสกกะเทวราชเนี่ยนิ่งอยู่นิ่งเฉยเลย เ, เป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคนขับรถของท้าวส ก, กัดชื่ อ, อชื่อมาตาลีเนี่ยเป็นเทวดาชื่อมาตาลีเนี่ยนะเป็นผู้ <Okay. S 1> ที่ขับรถาราชรถให้ท้าวส ก, กัดเทวราชเนี่ยก็เลยขอโอกาสถามท่านท้ า, ทาวสกกะ นะคือไปเนก็ไปด้วยกับท้าวส ก, ก่าเนาะเทวดาชื่อมตาตตลีเนี่ย mm hmm. ก็เลยเห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ยก็เลยขออนุญาตถามท่านท้าวสกกานะบอกว่าข้าแต่ท่านท้าวส ก, ก่าท่านาถูกผ่านเข้าพันออกอยู่อย่างเนี้ยถูกเทวถูกเท้ า, าถูกมารถูกอสูรที่ชื่อเวปจิตเนี่ยถูกท้าวเวปจิตด่าอยู่อย่างนี้เนี่ยนะด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอย่างเนี้ยยังนิ่งเฉยอยู่ได้นี่ เพราะว่าความกลัวหรือว่าเพราะไม่มีกําลังจะตอบโต้ว่ า, างั้น ค, คนคํารถถามนะถามเจ้านายว่าท่านที่ท่านไม่ตอบโต้เขานี่เพราะว่าโง่ไม่รู้อะไรหรือว่าเพราะกลัวกันแน่วา่างั้นเจ้าค่ะคนขับราชรถก็คงจะําคาญกันนะเจ้าค่ะเ <c oughs> พราะว่าได้ฟังคํำจาไปด้วยเจ้าค่ะฉะนั้นแท็กจุคนไม่ได้ต้องทุนถามว่าเพราะอะไรนะเจ<อ>้าค่ะปรากฏทาสกาเทวราชตอบว่าไงท้าสกาเทวราชบอกว่า อเราเนี่ยเป็นบัณฑิตนะเราเป็นบัณฑิตเนี่ยเราไม่ไม่เขาเรียกว่าอดทนต่อถ้อยคําอันหยาบคายร้ายกาจของท้าวิปจิตได้เนี่ยเพราะว่าด้วยความกลัวหรือว่าเพราะไม่มีกําลังจะตอบโต้เนี่ยก็หาไม่แต่บัณฑิตเช่นเราฉไหนจะพึงโต้ตอบกับคนผ่าลนะคือไม่มีประโยชน์อะไรในการคุยด้วยกับคนผ่านเราเป็นบัณฑิตเราไม่คุยกับคนผ่านว่า ง, งั้นเถอะก็เลยนิ่งอยู่อ่ ทีนี้ <Okay. S 1> พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเทวดาชื่อมาตเรีเนี่ยก็ค่อนข้างฉลาดนะคุณเตือนใจก็ <Okay. S 1> หยิบคําที่ท่านทา้าวส ก, กัดเทวราชเนี่ยใชนะ้มาถามกลับอีกน ะ, ะก็เลยใช้คําว่าคนพา น, นัลแหละที่ทา้าวส ก, กัดเทวราชพูดขึ้นมาคือทา้าวส ก, กัดเทวราชเห็นว่าเท้าเวเบปจิตเนี่ยเป็นคนพาณอยู่ๆก็มาด่าคนอื่นน ะ, ะแล้วก็ <Okay. S 1> ด่าสาธเสียเทเสียงอย่างนี้เป็นคนพาณแน่นอนเราก็ไม่คุยด้วยก็แล้วกันยุ่งกับคนพาณมีแต่เสียกับเสีย พระเาเคยบอกว่าเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งนะเป็นไม้เชิงตะกรเนี่ยตรงกลางก็เพื่อนอุจจระนะตรงหัวกับตรงท้ายก็ติดติดไฟมีไฟซุกติดอยู่จะจับตรงไหนก็ต้องเจ็บจับตรงกลางก็เหมือนจับตรงหัวก็มือไหมจับตรงท้ายก็มือไหมถึงแม้เราจะเป็นคนดีนะเราไปอยู่ใกล้กับคนพาลเนี่ยคนหนึ่งเขาก็จะหาว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราไปส่งสินกับเขาเค่ะนะเพราะฉะนั้นท้าวเบปจิตท้าวสกะเทวราชเนี่ยจึงฉลาดมากไม่คุยกับคนพาล เนะี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเอาตัวไปคลุกคลีหรือไปยุ่ง <Okay. S 1> กับคนพาลลักษณะนี้ <Okay. S 1> เทวดาชื่อมาตรีซึ่งเป็นคนกับรถก็เลยถามต่อเอาคำที่เท้าสกะเท ร, ราชใช้นั่นแหละนะคือใช้คำว่ า, าคนพาลใช่ไหม <Okay. S 1> เทวดาชื่อมาตรีก็เลยถามว่าคนพาลเหรอคนพาลเนี่ยทำเรื่องให้มันเกิดขึ้นได้นะคือสร้างเรื่องขึ้นได้ถ้าเราไม่กีดกันคนพาลเสียก่อน นะ้เราพึงจะกีดการคนพานด้วยการลงโทษด้วยการลงอาทยาว้าอย่างนั้น <Okay. S 1> คนฉลาดเนี่ยพึงระงับเนะ่ยคือกีดการคนพานด้วยการลงอาทยไว้าอย่างงั้น <Okay. S 1> คือคนพาดเนี่ยเราเทวดาชื่อมาตตลีบอกงนี้บอกว่าคนพาดเนี่ยเราต้องจัดการมันก่อนไม่งั้นมันจะก่อเรื่องขึ้นได้ว่างนั้นเถ อ, <Okay. S 1> อะพูดภาษาว่าเราก็ลักษณะนี้นะ คือต้องจัดการคนพานิะก่อนก่อนที่จะไปก่อนที่มันจะมันจะก่อเรื่องให้เราลําบากใจเจ้าค่ะทีนี้เทวดาตัดไฟตัดต้นรลมนะเจ้าค่ะเอออันนี้เป็นความเห็นของของเทวดาชื่อมาตลีเจ้าค่ะทีนี้ทา้กกาวสกะเทวราช ต, ตอบว่ายัางไงท้าวสกะเทวราชก็ตอบวาอ่าคนการจะทํากีดกันคนพาณเนี่ยนะผู้ใดที่มีสติสงบระ ง, งับได้นะสงบระ ง, งับความสงบระ ง, งับของผู้นั้นเนี่แหละ คือการกีดกันคนพานละ่ะหมายความว่าแทนที่เราจะไปกีดกันเขาด้วยการลงโทษจับขังนี้ใช่ไหยเรากีดกันด้วยความสงบระงรับของเราเนี่ยด้วจิต ท, <Okay. S 1> ที่เป็น เ, เป็นสุขอยู่มีสันติอยู่นะถ้าเรามีสติมีสันติสุขอยู่ในใจมีความสงบระงรับอยู่ในใจได้นั่นแหละชื่อว่าการกีดกันคนพาลพูดอย่างนี้ละกันออือะคะ แทนที่จะไปลงโทษเขาด้วยอาญาจำขังใส่ความป้ายสีใช่ไหมเรา <Okay. S 1> ทําจิตให้สบายมีสติสงบระ ง, งับอยู่นี่ชื่อว่ากีดกันคนบาละาค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้เทวดาชื่อมาตลีก็ถามต่ออีกยังไม่จบนะเทวดาชื่อมาตลีก็ใช้คําที่ท่านทา้าวสกกะเทวราชตอบมานั่นแหละคือความอดทนเนี่ยอันนี้คือหมายถึงความอดทนใครสงบระ ง, งับนิ่งอยู่ได้เนะี่ยคืออดทนใช่ไมเจ้าค <Okay. S 1> ่ะเทวดาชื่อมาตตลีก็เลยบอกว่าเห็นข้อผิดพลาดของความอดทนนะ ไว้ ย, ยังไคือความอดทนเนี่ยถ้าใครมีความอดทนแล้วเนี่ยคนพาลเนี่ยนะเขาจะไม่เห็นว่าเรานิ่งเฉยอยู่ได้เนี่ยเพราะความอดทนนะแต่เขาจะเห็นเราว่าเรานิ่งเฉยอยู่ได้เนี่ยเพราะความกลัวอืมเจ้าค่ะอ่าถ้าเขาเห็นว่าเราคิดว่าเรากลัวแล้วเนี่ยนิ่งเฉยอยู่เพราะความกลัวแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งทําเรายิ่งหนักเนี่ยเหมือนกับวัวตัวที่ชนะเ น, นี่ยข่มขี่ตัวที่แพ้เจ้าค่ะถ้าใครเคยดูสู้ว่ะที่วัวสู้กับวัวนะไม่ใช่คนสู้กับวัว ว, วัวซู้กัววัเนี่ยตัวที่แพ้ก็จะถูกตัวที่ชนะเนี่ยคมขีจนกระทั่งติดมุมแล้วก็ยังถูกคมอยู่อีกอย่างเงี้ยน ะ, ะอะซึ่งเทวดาชื่อมาตเรีก็กลัวลักษณะนั้นว่าเออถ้าเรานิ่งเฉยอยู่เนี่ยนะคนพานี่จะไม่สําคัญว่าเรานิ่งนี่เพราะว่าความความอดทนแต่เป็นนิ่งเพราะความกลัวเขายิ่งอัดเราหนักมายอย่างนี้ยิ่งกำเริบใหญ่นะยิ่งกำเริบเสบสารเลยจะทํายังไงล่ะทีนี้ นะ ค, คุยกับหัวหน้าของตัวเองคือท้าวสกัเทวราชท้าวสกัเทวราชก็ตอบเป็นคถายาวออกมาซึ่งเป็นคถาที่เราจะพูดถึงในวันนี้นี่แหล <Okay. S 2> นะส่วนหนึ่งของคถานี้ก็บอกว่าคนพาลเนี่ยสำคัญว่าตัวเองมีกำลังนะในการที่จะคมขี่ผู้อื่นแต่ว่านั่นะคือคาถาในวันนี้นะก็คือบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกาลังของผู้มีกาลังอย่างคนพาลว่าไม่ใช่กาลัง ไม่มีผู้ใดจะกล่าวโต้ต่อผู้มีกำลังผู้ซึ่งธรรมะคุ้มครองแล้วได้เลยนะลักษณะนี้แล้วก็บุคคลเนี่ยที่สามารถจะอดกลั้นนะไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธมาก่อนเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าชนะสงครามที่เอาชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติระงับไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายนะคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่น แล้วก็ประโยชน์ในฝ่ายตนฝ่ายผู้อื่นเนี่ยประโยชน์ฝ่ายตนเนี่ยสาคัญเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็คนที่มีลักษณะนี้เนี่ยที่สามารถเห็นประโยชน์ตนแล้วก็มีขันติเป็นกำลังเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้มีกำลังว่าอยงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถูกเขาด่าอยู่อย่างนี้นะถูกเขากรีดกันถูกเขาข่มขีถูกเขารังแกใช่มอดทนอดทนเนี่ยเป็นกาลังของเรา คนที่ข่มขีเราแกล้งเราเป็นคนพาเนี่ยนะกำลังอย่างนั้นชื่อว่าไม่ใช่กำลังเป็นความอ<ม>่อนแอเนเพราะว่าสิ่งนั้นจะทำลายเขาเองเพราะฉะนั้นคนที่มีควา ม, มข่มขีคนอื่นชอบมาแกล้งคนอื่นชอบมารังแกงคนอื่นนั่นคือคนอ่อนแอนะบัณดิตบอกว่าเป็นคนอ่อนแอลักษณะนี้ใช่ค่ะอันนี้หมายถึงว่าคนที่เขามีจิตเป็นอกุศลหรือว่ามี ทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่นที่จะไปชอบว่าคนอื่นเขาอย่างงี้นะเจ้าคะก็คงจะเป็นคนที่ว่าเหมือนกับจิตเขามีความอ่อนแอคือไม่ไม่มีธรรมะอยู่ในใจนั่นเองใช่แบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องคนอ่อนแอเนี่ยวัดกันที่ว่าจิตเขาเนี่ยไม่มีกําลังนะกำลังในที่นี้หมายถึงว่ากําลังจิตในการที่จะทําจิตให้เป็นหนึ่งคนที่มีอกุศลอยู่ในใจคุณตนใจจิตคิดพยาบาทดา่าคนอื่นคิดโกหกคิดหลอกลวงเนี่ย จิตเขาเนี่ยไม่มีสมาธินะจิตที่ไม่มีสมาธิเนี่ยไม่มีเป็นหนึ่งไม่เป็นหนึ่งแล้วคิดการงานอะไรมันก็ตื้อตันคิดไม่ออกแล้วก็เป็นจิตที่อ่อนแอเดี๋ยวก็ไหลไปตามสิ่งนั้นคนนี้ว่านั้นดีก็ตามไปคนนี้ว่านี้ดีก็ตามไปคนนั้นเอานี่มายั่วมาหลอกก็ตามไปเนี่ยเป็นคน <Okay. S 1> อ่อนแอต่อให้จะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยจิตก็อ่อนแอไม่มีกําลังบัณฑิตบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีกําลังกําลังอย่างนี้ไม่ใช่กําลังอย่างแท้จริงเจ้าค่ะ แต่ว่าคนที่อดทนอยู่ได้อดทนเนี่ยเป็นกําลังของเราพระพุทธเจ้าพูดถึงคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยใช้ความอดทนเนี่ยเป็นกําลังนคนที่มีขันติเนี่ยเป็นกําลังเนี่ยนะจะสามารถต่อสู้กับคนพาดได้ด้วยกําลังที่เขามีนั่นคือขันตินั่นเองอแล้วก็นี่พระพุทธเจ้าพูดไว้บทหนึ่งนะที่บอกในที่นี้บอกว่าไม่มีผู้ใดจะกล่าวโต้ต่อผู้มีกําลังผู้ซึ่งธรรมะคุ้มครองแล้วได้เลย อย่างนั้น ค, คนที่ทํามาคุ้มครองเนี่ยเราปฏิบัติธรรมนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงๆใช่ไหมธรรมะคุ้ม ค, ครองเรานะใครจะมาโต้ต่อแบบมากล่าวโต้มากล่าวหามากล่าวตู่เราผู้ซึ่งมีธรรมะอย่างนี้นไม่ได้เจ้าค่ะอย่างน้อยก็กระแทกจิตเราไม่ได้เรามีความอดทนอยู่เจ้าค่ะท่านี น, นี้โยขออนุ ญ, ญาตากราบถามเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งนะเจ้าค่ะสําหรับ อ, อย่างที่พระอาจารย์ไพบูลได้เมตตา หยิบยกมาว่ามีพุ้โองค์ได้กล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่จะกล่าวโตต่อผู้ที่ผู้มีกำลังผู้ซึ่งธรรมะคุ้มครองอยู่ได้เลยถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่ี่หมายถึงว่าคนที่ถ้ามีธรรมะคุ้มครองเนี่ยจิตใจก็จะมีสติตั้งมั่นแล้วก็สามารถอดทนได้ต่อการ ถูกว่าหรือถูกข่มเหงหร<ช>ือว่าถูกกรารแกล้งต่างๆถูกไหมเจ้าคะใช่ใชส่วนคนที่เขามีจิตไม่ดีจิตไม่สะอาดเนี่ยในการที่จะมาด่าว่าหรือมากานแกล้งคนอื่นๆนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เท่ากับว่าจิตเขานั้นก็จะแบบไม่มีกําลังหมายถึงไม่มีกําลังที่จะต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในจิตเขาถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่เจ้าคะังนั้นอันนี้<จ>ก็จะได้ผลกรรมอะไรบ้าง <c oughs> ไหมเจ้าคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าทําบ่อยๆทํามากๆใน<ช>มิจฉาคุณทาในจิตเนี่ย พระพุทธ บ, บอกว่าก็จะเป็นผู้ที่เหมือนถูกเก็บไว้ในนร ก, กแล้วถ้าเผื่อว่าทําสิ่งคือถ้าจะเป็นการเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นว่ามีความริษยาคนอื่นอย่างเงี้ยแต่มีความริษยาคนนี้ได้มากก็ริษยาเขาแทนที่จะอนุโมทนากลับไปริษยาทําบ่อยๆทํามากๆนะจะเป็นนรกนะเพราะจิตที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเผื่อว่ารอดจากนรกไปได้นะจะเป็นผู้ที่เรียกว่าไปเกิดในสกุลต่ํา นะเป็นสกุลที่มีทรัพย์น้อยไม่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นสกุลที่เขาจะดูถูกได้แตนะ่คนไหนที่มีจิตอนุโมทนากับสิ่งอื่นที่คุณเขาได้เนี่ยนะก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าจะอยู่ในสกุลสูงนะเป็นสกุลที่มีชื่อเสียงมีทรัพย์มากมีพกทรัพย์มากลักษณะ น, นี้เจ้าค่ะตอนนี้โยมขออนุญาตถามตรงนี้อีกนิดนะเจ้าค่ะว่าสําหรับคนที่เขาประพฤติเช่นนี้เนี่ ย, ยกว่าจะเป็นรอไปถึงชาติหน้านะเจ้าค่ะ ที่จะไปเกิดในตระกูลที่ไดีนี่สําหรับชาตินี้นี่ยมคิดว่าเขาก็คงไม่ได้มีความสบายใจแล้วก็สง่าราศรีก็คงจะจะเศร้าหมองด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่คือในปัจจุบันเนี่ยก็ <c oughs> จะได้รับทุกข์ก็คือว่าไฟที่ไม่จิตเขาอยู่คคะนะไฟราคะคือความอยากเนี่นะมันจะทําให้เราหิวอยู่เสมอ ค, คหิวอยู่ต ล, ลอดเลยได้มาก็ยังไม่อิ่มมันก็ยังหิวอยู่นะอหรือความโกรธอย่างเงี้ยเราโกรธระเบิดตุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ย ม, มันเละไปหมดเราก็เละลูกน้องก็เละหัวหน้าก็เละลูกค้าก็เละทุกคนก็แย่ไปหมดเพราะฉะนั้นก็เลยมีแต่ความไม่ดีถึงแม้ว่าจะเห็นฉาบฉวยว่าเงินอาจจะได้มากขึ้นอาจจะมีชื่อเสียงเล็กน้อยเด๋ยวนี้อาตมาเคยได้ยินมีคนมาเล่าให้ฟังเขามีงานวิจัยที่บอกว่าผู้ชายที่มีบุคลิกกับบุคลิกที่โหดโหดเหี่ยมเียมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดีนะี่นะ มีเงินเดือนสูงกว่าคนปกติทั่วไปก็เขาจะวัดกันที่เงินอย่างเดียวซึ่งไม่ได้ไม่ได้วัดที่ความสุขทางจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามีเงินมากแล้วมีความสุขไหมล่ะมีตำแหน่งแล้วมีความสุขไหมล่ะมีชื่อเสียงแล้วมีความสุขไหมล่ะหลายคนนะคุณเตือนใจมีเงินก็ตามมีชื่อเสียงมีตำแหน่งแต่นอนก็นอนไม่หลับเอาท้ายเอาท้ามาไก่น้าผาอยู่ทั้งคืนแล้วก็นอนไม่หลับ แล้วก็มีกังวลอยู่นั่นนะ่ะไม่รู้ว่าใครเขาจะมาทําอะไรเราเบื้องหลังไหมตําแหน่งที่เราได้มาเงินที่เราได้มามันจะอยู่กับเรานานไหมต้องคอยจ้างมือปืนบ้างคอยจ้างคนนู้นคนนี้มาคอยควบคุมโอ้มันนอนไม่หลับเนี่นนเดี๋ยวก็พลิกซ้ายเดี๋ยวก็พลิกขวาต่อให้เตียงนุ่มยังไงนะพระเจ้าเคยอธิบายอย่างนี้ห้องนอนเนี่ยโอ้โหเลื่อนรูอลังการเท้าไอ้ขาที่นอนนะเป็นอย่างกับหัวเสือ นะผูด้ว<ช>ยผ้ากำมะหยี่สีแดงมีหมอนแดงสองข้างมีมุ้งกลางรอบมีผู้คุ้มภัยทหารเนี่ยยืนอยู่สี่ด้านคอยคุ้มภยัยแต่<ช><ช>ถ้าจิตนะมีความกังวลจิตนะมีความร้อนจิตมีกราคะไม่อยู่โทสะไม่อยู่ไม่สบายใจนอนอยังไงมันก็ไม่สบายมันจะพลิกอยู่นั่นแหละพลิกซ้ายพลิกขวาตื่นมากลางดึกหายใจหอบแฮกๆลงไปนอนต่อก็นอนไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอยู่ในนวรบนะเจ้าค่ะโอ้โหนี่คือพูดที่นําตัว เหมือนถูกนําตัวไปเก็บไว้ในนรกอืมเจ้าค่ะทีนี้เราใครไม่ดีเราไม่ว่าอะไรเราอดทนไว้เราดีอยู่แล้วเราก็ขอให้เขาพ้นไปให้เขามีความสุขอ่ะเจ้าค่ะเพราะนั้นกำลังคือแผ่เมตตาให้เขาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่กำลังอย่างเนี้ยจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มีกําลังอืมที่แท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะมีกําลังที่แท้จริงที่อมีธรรมะคุ้มครองอยู่ร่างกายและใจของเขานะเจ้าค่ะใช่ใช่ คือบางคนอาจจะมองฉาบฉวยในเรื่องของความสุขที่เกิดจากเงินจากชื่อเสียงนะอันนั้นเป็นความสุขที่ได้อยู่ไม่นานคุณมีชื่อเสียงใช่ไหมถ้าอยู่ในระวงราชการก็แค่หกสิบปีจบหลังจากนั้นที่เขามาคอยตามก้นยกมือไหว้จบแล้วนะเมื่อวานนี้เลิกวันนี้เริ่มใหม่ไม่มีใครมาตามก้นเราแล้วอย่างเงี้ยถ้าใครมีชื่อเสียงมีตําแหน่งที่อยู่ในราชการอถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะมีจนกระทั่งเราเราออก นะพอออกปุ๊บเนี่ยหรือการเมืองก็แล้วแต่มีการผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมดเลยนะมันไม่เที่ยงเลยจริงจริเนะมื่อวานมีชื่อเสียงเด็ดีวันนี้ไม่เหลือล้ออะไรนะหรือถ้าใครมีชื่อเสียงมาตลอดเป็นคนดีนะสุดท้ายตอนตายก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันอก็เราก็สร้างความดีที่จะดำรงไว้ในโลกนี้มีนักสังคมศาสตร์ชาวอังกฤษคุณเดินใจเขาเคยทาวิจัยว่าเจ็ดสิห้าเปอร์เซ็นตของ ประชากรชาอังกฤษเนี่ยนะไม่สามารถจําชื่อย่าทวดตัวเองได้อืย่าทวดคือหมายของแม่ของยายอ่ะนะปู่ย่าแม่ของย่านะจําชื่อไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าแม่ของย่าเราชื่ออะไรคือย่าของแม่เราชื่ออะไรเจ้าค่ะท่านผู้ฟังฟังอยู่นะเอะย่าทวดเราชื่ออะไรถ้าคุณไม่รู้นะโอคุณเป็นเจ็ดสิบ้าอร์เซ็นต์ของเขาอย่างไรก็ตาม ประเด็นที่กำลังจะพูดก็คือว่าชื่อเราเองนะชื่อเราชื่อท่านผู้ฟังชื่อคุณเตือนใจชื่อใครก็ตามเนี่ยจะถูกลืมโดยเหรนตัวเองเหรนเรานะจําชื่อเราไม่ได้นะห ล, หลานเหรนเราเองนะจําชื่อเราไม่ได้นะโอ้โห oh, ถ้าเราไม่ทําความดีเพื่อให้สร้างความดีให้เขาจะรึกเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทําไมเราจําชื่อของผู้ที่ทําความดีต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างรัชกาลที่ห้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นลูกหลานของท่านนะ หรือว่าเราก็อย่างข้าราชการอย่างหลวงประดิษฐ์หลวงวิจิตวรวาทการหรือว่าใครต่อใครที่เขาทำความดีในโลกน ะ, ะในในบ้านเมืองเราเราจำชื่อเขาได้ทั้งนั้นที่เราไม่ได้เป็นลูกหลานของเขาเพราะความดีที่เขาสร้างเอาไว้เจ้าค่ะอย่างนี้แหละชื่อเป็นผู้ที่มีกำลังเป็นผู้ที่ทำความดีจริงแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาโต้กล่าวหาหรือกล่าวโต้ต่อผู้ที่มีกาลัง ผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองอย่างนี้ได้เลยเจ้าค่ ะ, ะก็เรียกว่าถ้าคุณมีธรรมะคุ้มครองก็คือมีธรรมะอยู่ในใจนะเจ้าคะป mm hmm. ระพฤตตนในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วก็มีจิตเป็นสมาธิแล้วก็อยู่กับศีลธรรมต่างๆที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เนี่ย mm hmm. ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีควา ม, ามคุ้มครองที่ดีที่สุดใช่ไหมเจ้าคะธรรมะคุ้มครองเจ้าค่ะแล้วก็จะสามารถทํา ยิ่งคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยก็เหมือนกับจะได้รับการจารึกและก็จดจําโดยในอีกหลายๆรุ่นต่อไปเป็นร้อยพันพันปีผู้คนก็ยังจําคุณงามความดีอันนั้นได้ใช่ชไหมเจ้าค่ะได้ไเจ้าค่ะทีนี้ธรรมะถ้าจะพูดถึงเฉพาะเจาะจงในที่นี้ธรรมะนี้ก็คือความอดทนนั่นเองเจ้าค่ะนะความอดทนอย่างเดียวเนี่ยคุณเตือนใจนะจะสรุปในที่นี้เลยก็ได้ว่าอดทนเนี่ยจะทําให้เราเข้าสมาธิได้ง่าย ปุถนะุชานะบอกว่าผู้ที่มีความอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจอดทนต่อถ้อยคาอันญยาบคลายร้ายกาดอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายได้เนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าสู่สมาสมาธิได้ง่ายนะอย่างพระสงฆ์เนี่ยทำไมไปปฏิบัติตามป่าตามเขาอยู่ตามที่ลำบากลำบากเพราะว่าถ้าเราอดทนได้นะจะเข้าสมาธิได้ไหวมากนะเข้าสมาธิได้เก่ง นะพอเข้าสมาธิได้ดีแล้วจิตเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ฉลาดในวรจิตตัวเองคิดสิ่งใดตอบสิ่งใดเนี่ยมันมันไปฉลุยเลยละ่ะมันจิตมันมันว่างมันสบายมันคิดงานออกคิดงานได้อย่างเงี้ย น, นะเจ้าค่ะเขารียกว่าเกิดปัญญานะเจ้าค่ะใช่ใชคือมีสติก็เกิดปัญญาอพอเกิดปัญญาก็สามารถที่จะคิดทําการงานสิ่งใดก็ตามหรือว่าคิดแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ย ในชีวิตได้อย่างดีเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ชเจ้าค่ะนี่ก็คือเรื่องของท้าวสากัดเทวราชแล้วก็ที่ทําสงครามกับท้าวเวป จ, จิตจอมาสูนนะแล้วก็มีคนขับรถของท้าวสากัดเทวราชเนี่ยแหละทาให้เราได้ธรรมะทรงสูตนี้ออกม า, าเจ้นะาค่ะเทวดาองค์นี้สรุปท้ายนิดนึงเจ้าค่ะเทวดาองค์นี้ก็ชื่อมาตารีที่มาคุยกันให้ฟังตอนนี้ก็สรุปในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบัณฑิตทั้งหลาย กล่าวกำลังของผู้ซึ่งมีกำลังอย่างคนพานว่ามิใช่กำลังไม่มีผู้ใดจะกล่าวโต้ต่อผู้มีกำลังซึ่งธรรมะคุ้มครองแล้วได้เล ย, ยค่ะสรุปท้ายก็คือธรรมะย่อมชนะธรรมถูกไหมเจ้าคะ่ะใช่ใชแม่ฟังแบบวดีวค่ะนะค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็ได้มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการธรรมารับุรุณในเช้าวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมแล้วนะคะเป็นวันเสาร์ที่ Uh, เรา uh, เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะคะอันนี้ก็ฝากเป็นธรรมะสาหรับท่านฟังท่านบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพี่น้องอข้าราชการทั้งหลายนะคะฐานตารวจอะไรต่างๆท่านก็อาจจะมีประสบการณ์ทั้งในด้านดีและก็ด้านไม่ดีอาจจะถูกคนข่มเหงหรือว่าอาจจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆก็อันนี้ก็เป็นธรรมะที่จะเตือนสติเราได้นะคะว่าพระธรรมคำสอนของอ ง, องค์พระสรัสมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอน แล้วเราสามารถยึดไว้ที่จะคุ้มครองตัวเราได้ตลอดไปเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเรามากราบลาพระอาจารย์ภับุญอภิปุโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สองตุลาคมเรากลับมาพบเป็นใหม่ในรายการธารรมราบุญตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งเหมือนเช่นเคยคะ่ะมีเรื่องของกรรม มาเสนอจมูกฟังได้รับฟังกันนะคะตามรับฟังกันให้ได้นะคะเช้าวันนี้เรามากล่าวน้ำประการลากันเลยนะคะกล่าวน้ำประการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพานสาธุเจ้าค่ะ